อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปิดสถานีเราด้วยรายการธรรมาราบรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วละค่ะคือวันเสาร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้นแปดข้าเดือน9ค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมนะคะว่าทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น ในช่วงของรายการธรรมรับอรุณดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทนะําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะและก็ซักถามแทนท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์ของเราคือท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษหรือตามพุทธวจน ะ, อะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ ซึ่งวัดนี้มีพระอาจารย์เป็นผู้ดำเนินการหลักสูตรแต่ย่งไรก็ตามก็อยู่ในความควบคุมแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จ ะ, ะควบคุมบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไป อ, อบรมปฏิบัติธรรมกันเป็นประจําทุกเดือนนะคะโดยท่านเจ้าอาวาสของวัดนี้คือรประิศภคุลหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโซหรือท่านพระครูสิทธิพพากร์ค่ะก็ขอนําท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะคะมากราบนมาสการพระอาจารย์พิบูลอภิพุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้มัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะสําสหรับเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าคะ่ะเราก็คงจะคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของทิศนะเจ้าค่ะซึ่ง<ช>พระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยในเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอเป็นทิศทางเบื้องหลังนะเจ้าค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังกับเบื้องขวาไปแล้วถูกต้องค่ะเจ้าค่ะคือเบื้องหลังนี้โยมทวนิดนึงสามีภรรยาเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเบื้องหน้าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราถูกต้องเจ้าค่ะแล้วก็เบื้องหลังก็คือเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์ เจ้าค่ะครูอาจารย์วันนี้เราจะคุยกันเบื้องซ้ายดีไหมเจ้าค่ะซ้ายใช่เป็นเรื่องของมิจสหายเจ้าค่ะอ่านิมนต์เลยเจ้าค่ะเรื่องของมิจสหายพระชาพูดถึงบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนทิศทั้งหลายแหล่อันนี้ไม่ได้หมายถึงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศออพวกนี้นะแต่หมายถึงคือทิศทางที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดแปดทิศด้วยกันเราได้พูดถึงมาดาบิดาไปแล้ว ก็นะ <Okay. S 2> คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาคือครูอาจารยนะ์คนที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้หรือคนที่เราไปเรียนรู้อะไรต่างๆมาจากเขา <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าตัวท่านผู้ฟังบางคนจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีครูอาจารย์อยู่อาจจะเป็นอะไรก็ได้วิชาความรู้ที่เราต้องเรียนต้องรู้อยู่นะเจค่ะ <Okay. S 2> อันนี้รวมถึงประชาประสงค์ด้วยรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยที่เป็นทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ส่วนด้านหลังก็คือเขาเรียกว่าสามีภรรยาเป็นะคู่คู่ครองของเรา <Okay. S 2> นะถ้าใครไม่มีทิศนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เสหายนะเจ้าค่ะไม่ไม่เสียหายไม่เสี ย, ย <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ถือว่าทิศนั้นเราก็ไม่มีไปก็ไม่มีปัญหาไม่มีภัยอยู่แล้วแ <Okay. S 2> นะต่อมาเราจะพูดถึงทิศเบื้องซ้ายนะทิศเบื้องซ้ายนี่คือมิตรสหายนะมิตรสหายคือเพื่อนเรานี่แหละนะเพื่อนนี่สําคัญมากเลยนะผูชาบอกว่าเพื่อนเนี่ยมิตรเนี่ยนะเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติหลายๆคนนะคุณเตือนใจในชีวิตนี้เนี่ย เป็นคนดีร่ำเรียนอะไรมาดีเป็นข้าราชการสุดท้ายเจอเพื่อนไม่ดีพาไปนี่โอ้โหเละเทมหมดเลยอนะืหรือบางคนทำมาดีตลอดชีวิตพอมาเป็นนักการเมืองเจอเพื่อนไม่ดีพาไปเละเลยนะมีคดีความต่างต่างก็มีเยอะแยะเราเห็นตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นมิตรเนี่ยเพื่อนเนี่ยสาคัญมากนะเพื่อนนี่สําคัญมาก เ, าเราจะพูดถึงรายละเอียดก่อนผูนะ้ที่เจ้าบอกว่าเพื่อนไม่ดีเนี่ยนะเอาคนที่ไม่ดีก่อนนะ <Okay. S 2> คนที่ไม่ดีเนี่ยจะพาพาไปเนี่ยชักชวนไปในทางชั่วนะเช่นชักชวนไปในการเล่นการพนันนะเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยคือคือเราเราจะก <Okay. S 2> บเพื่อนเนี่ยเอาดูก่อนว่าเพื่อนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันดีหรือมัอนชั่วกันแน่นะ <Okay. S 2> คือเราจะรู้ได้ไงนคือคนที่ไม่ดีเนี่ย เ, เขาจะชักชวนเราไปในการเล่นการพนันใครชวนไปเล่นการพนันนี่ให้ให <Ừ. S 2> เ้เขาเรียกว่ามันเป็นคนช่วแน่นอน ให้เลิกโคกับมันซะถ้าสมัยนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดด้วยนะเจ้าคะใช่การพนันยาเสพติดนี่ก็ก็มีใช่อันนี้ผู้เชี่ยวจะพูดถึงอีกอันหนึ่งคือการไปเป็นนักเลงสุรานั่นพวกนักเลงสุร า, าพวกยาเมาวพวกของที่กินแล้วจะเกิดความประมาทแต่พวกยาเสพติดพวกเครื่องดื่มมึนเมาพนทั้งหมดเลยจะอยู่ในข้อที่สามข้อแรกก็คือชักชวนให้เป็นนักเลงเรื่องการพ น, นันนะชักชวนให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ ไปเล่นชู้หาที่ยูคืนเนี่ยคนนี้คนชั่วแ น, น, น, น่นอนนะข้อที่สามก็คือชักชวนให้เป็นนักเลงสุรานรวมถึงยาบ้ายาเมาออด้วยคคข้อที่สี่นี่ก็ชักชวนให้เป็นโกงผู้อื่นด้วยของปลอมนะในการทําการค้าองเงี้ยเอาคุณปลอมเลยเอาข้าวสารนี้เอาผสมเข้าไปนะก็จะเป็นคนชั่วแน่ น, นอน ค, ค่ะอข้อที่ห้านี่ก็คือแนะนําให้เป็นคนกงเขาซึ่งซึ่งหน้านะก้องคนอื่นซึ่งซึ่งหน้า แล้วก็ข้อที่หกเนี่ยนําให้เป็นคนหัวไม้โกงซึ่งซึ่งหน้ากับกกงด้วยของปลอมเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าในโกงด้วยของปลอมเ น, อนี่กยก็คือว่าสมมติสเปคเขาเขียงนงี้นะในเอกสารเขาเขียงนงี้คุณคุณเอาเขาให้ใช้เหล็กห้านิ้วอย่างเงี้ยคุณไปใช้เหล็กสานิ้วอย่างเงี้ยนะนี่คือ <Okay. S 1> โกงกันด้วยของปลอมเลยนะก็เรียกลวงผู้อื่นด้วยของปลอมในะส่วนข้อที่ห้านี่เป็นคนโกงเขาซึ่งซึ่งหน้าเช่นว่าพวกที่ออกกฎหมาย ใ, ให้ตัวเองจากผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยนะโกงเชิงโนโยบายพวกนี้โกงซึ่งซึ่งหน้า ก <N> ็ไม่ดีนะถ้านำให้เป็นคนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีคือเพื่อนที่ชักชวนให้เราทำในทั้งหมดหกประการนี้นะเจ้าคะเขเรียกว่าเป็นเพื่อนไม่ดีตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นะเจ้าะคะอันี้คือลักษณะทั่วไปที่เราดูนะเพื่อนไม่ดีเนี่ยจะชักชวนเราไปในหกอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะคบกับใครเป็นเพื่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะชักชวนคือคนจะมาถึงปุ๊บปั๊บเนี่ย ชักชวนาเธอไปกินเหล้ากันเพิ่งรู้จักกันเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือเพิ่งรู้จักกันอาจจะชักชวนไปดื่มเหล้าไปเล่นการประนันไปเป็นตังน้งเลียงเจ้าชู้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ทีเราจะรู้ได้ไงว่าตอนก่อนที่ลายเขายังไม่ออกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนไม่ดียังมีผู้จ่ามีวิธีดูนะก็ถ้าเผื่อว่าจะคบใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยถ้าคนต่อไปนี้เนี่ยนะคนที่เรากําลังจะคบด้วยต่อไปที่เป็นเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะอ่ามันมีคุณสมบัติ6อย่างนี้แสดงว่ามันมีสิทธิ์ที่่่่เเเปป็็นนนนนนนนนพืืือออชััวได้คคตสาย อืมเจ้าค่ะเพราะท่านผู้ฟังที่ตื่นมานอนตื่นเช้านี่ก็แสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นเพื่อนดีกับคนอื่นได้นะอืมเจ้าค่ะสองเจ๊ภรรยาผู้อื่นนะเป็นคนมีกิ๊กเป็นคนมีชู้พวกนี้ทั้งๆที่เขายังไม่ได้เชิญชวนเราไปในทางนั้นนะแต่เราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าไอ้คนนี้จะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีได้นะเจ้าค่ะแล้วก็อดูแนวโน้มจากความประพฤติของเขาถูกต้องถูกต้องอันนี้คือข้อที่สองแต่ถ้าเรารู้ว่าคนนี้มีความประสงค์ผูกเวร นะพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นคนนี้ทําฉันไม่อย่างั้นอย่างนี้แสดงว่าเขามีสิทธิ์ละที่จะเป็นเพื่อนชั่วของเราอย่าไปคบกับคนนี้นะนะ ข, ข้อที่สี่ก็คือว่าความเป็นผู้ทําแต่หาสิ่งประโยชน์ไม่ได้ทําแต่แบบเรื่องจอกจอกจิกๆจุกๆนะหา <c oughs> ประโยชน์ไม่ได้นะคือไร้สาระเรื่องไร้สาระ <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> ข้อที่5เป็นคนมีมิจฉ ua ตัวเองก็เป็นคนมีมิจฉ่ a แล้วนะข้อที่6ก็เป็นคนที่ตรณีเหนียวแน่นอย่างหนะัก ถ้ามีหกข้อนี้นะมีหข้อนี้คนนั้นถึงแม้จะยังไม่ได้ชักชวนเราไปในทางชั่วมีสิทธิ์เลยว่าเขาจะเป็นเพื่อนชั่วของเราได้มันจะชักชวนเราไปในทางไม่ดีได้ถ้าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งมีคุณสมบัติ6อย่างนี้นะที่พูดถึง6อย่างแรกเนี่ยก็คือว่าคนชั่วเนี่ยจะพาเราไปหกอย่างนี้จะทําให้เราเป็นคนอย่างนี้ไปซึ่งไม่ดีแน่นอนนะเราก็เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมีสิทธิ์เป็นเพื่อนชั่วตอนที่ลายเขายังไม่ออก ก็พูถึง6อย่างที่2ที่ว่าเป็นคนนอนตื่นซ้ายเป็นคนเสบพบริยญาผู้อื่นเป็นคนประสงค์ผูกเวรเป็นผู้ทําแต่หาสิ่งประโยชน์ไม่ได้เป็นคนมีมิดชัวแล้วก็มีความตระลนีเหนียวแน่นนะพวกนี้มีเสร็จที่จะเป็นคนชั่วได้แล้วก็เพื่อนนี่ยังมีอีก8ดแบบที่พระเจ้าบอกเอาไว้อืเแค่ะจแจกแงละเอียดเลยนะเจ้าค่ะใช่ผมพระเจ้านี่ให้ความสมําคัญกับเพื่อนมากนะคุณติใจเพราะว่าเพื่อนที่ชั่วเนี่ย คือเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นทั้งหมดของพระหมจรรย์คือจะพาไว้ให้มีสมาธิติได้ให้ตั้งอยู่ในศีลได้ให้เจริมมีองค์แปดได้ให้พระพุทพรหมจรรย์ได้ให้บรรลุนิพพานได้นะเพื่อนนี่ขั้นั้นหนึ่งนะอืเ <ใน S 2> จ้าค่ะเขาเรียกว่ากาลยานมิตรถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องในกาียานุกันถ้าชั่วก็พาเราไปลงนรกได้เหมือนกันแล้วก็มไม่ต้องรอถึงชาติหน้าโดยแค่เพื่อนชั่วๆมากๆเนี่ยเอเราพบได้ในปัจจุบันนี้เลยโทษเลยนะอาจจะติดคุกอถูกลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าความทีี่่่มเพือนชัว เคือจริงๆบางคนเนี่ยเป็นคนดีโดยตัวธรรมชาตินะแต่ว่าเพราะว่าถูกเพื่อนชั่วพาไปก็เลยก็เลยแย่ไปเลยเราก็เห็นกันอยู่หลายๆคนด้วยซ้ำเจ้าค่ะก็คือถูกชักชวนไปในทางไม่ดีชักจูงไปเจ้าค่ะเอาพูดถึงเพื่อนชั่วก่อนนะเพื่อนเนี่ยมีแปดแบบนะคือเพื่อนไม่ดีสี่อย่างแรกก่อนนะคือเป็นเพื่อนปลอกลอกนะเป็นคนดีแต่พูดเป็นคนหัวประจบเป็นคนชักชวนในทางชิบหายนะสี่อย่างนี้เป็นเพื่อนไม่ดี นะเราจะดูได้ไ่างว่าคนนี้เป็นคนบอกลอกหรือเปล่านะก็ดูที่ว่าเขาเป็นคนคิดแต่จะเอาฝ่ายเดียวไหมนะเป็นคนคิดแต่จะเอาฝ่ายเดียว้อที่สองเป็นคนเสียให้น้อยคิดเอาให้มากแ uh huh. นะ้อที่สามไม่รับทํากิจของเพื่อนในคราวมีภัยเวลามีภัยอะไรนี่ปฏิเสธหมดเลยเวลาน้ำท่วมมาปุ๊บไม่ช่วยเมื่อก่อนเคยพูดอย่างดีนะเอาแต่ให้น้อยๆเอามากๆจะเอา และมีแต่เอาฝ่ายเดียวไม่ไม่ยอมให้คนอื่นแล้วก็คบเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเนะี่ยเป็นคนแบบว่าคอยจะปอกลอกอันนี้เป็นลักษณะของเพื่อนปอกลอกเป็นเพื่อนไม่ดีอย่าไปคบกับม่นะนะเพราะที่พูดถึง6กอย่างแรกเนี่ยเช่นเป็นคนนอนตื่นสายเสพบริรยาผู้อื่นมีความประสงค์ผูกเวรทําแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เป็นคนมีมิชฉ่วเป็นคนตระนีเหนียวแน่นเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ว่าคนเนี้ยจะเป็นเพื่อนชั่วในสี่สี่อย่างต่อไปนี้ไดอนะ้อันอย่างแรกคือเป็นคนปอกลอก อันที่สองเป็นเพื่อนที่ดีแต่พูดนะคนที่ดีแต่พูดเนี่ยเป็นไม่ใช่มิตรที่ดีได้นะคือคนที่ปอกลอกก็ตามคนที่ดีแต่พูดก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนที่จะดีได้นะเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนปอกลอกหรือไม่หรือเป็นคนปอกลอกเราพูดไปแล้วนะต่อไปคือเพื่อคนที่ดีแต่พูดนะคนที่ดีแต่พูดเนี่ยก็คือเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยแต่พูดแต่ของที่ผ่านไปแล้วอ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้พูดอยู่นั่นน่ะเนาะ ข้อที่สองก็คืออ้างเอาของที่ยังมาไม่ถึงมาปลาใสนะพูดแต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือลักษณะของคนดีแต่พูดข้อที่สามนันลักษณะคนดีแต่พูดข้อที่สามก็คือสงเคราะห์ด้วยหาสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สงเคราะห์ด้สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เวลาเขต้องการอะไรปุ๊บเอาอะไรมาให้เราก็ไม่รู้ใช้งานก็ไม่ได้แล้วข้อที่สี่ก็คือเมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องคือออกปากพึ่ ง, งไม่ได้ อยากให้ช่วยอ้นี้เฮ้ยไม่ว่างเฮ้ยปวดท้องเดี๋ยวต้องไปไอ้นี่ติดดีแต่พูดละเจ้าค่ะภาษาชาบ้านบอกชิ่งทุกทีเลยนะคะไม่ยอมช่วยเพื่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีภาษาจีนเขาเลยไถจีคือเล่นไทยเก็กันนะเวลามีใจให้ช่วยปุ๊บปุ๊บวับหายไปได้ยหายตัวทันทีนะเจ้าค่ะนี่ลักษณะคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดเป็นมิชัวไม่สามารถเป็นมิตรที่ดีได้ อืมเจ้าค่ะอ่าต่อไปลักษณะคนประเภทที่สามที่ไม่เป็นเพื่อนที่ดีได้คือคนหัวประจบจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนหัวประจบหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่าตามใจเพื่อนให้ทําความชั่วนะจะทั่วจะทําชั่วก็ทําใจจะทําดีก็ตามใจนี่ยก็คือว่าจะดีก็คล้อยตามจะชั่วคล้อยตามะะนะคือไม่ได้ให้คําปรึกษาหรือว่าไม่ได้คอยสอบถามใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ย น, นะสมมติบอกว่าจะช่วนไปทําทานอย่างเงี้ยก็ทําดีนะเออทําำ แต่ว่าไม่ได้คุยทําที่ไหนทำยังไงใช้อะไรทําไม่ได้พูดคุยอย่างเงี้ย<จ>ก็คือทำดีก<จ>็ตามใจทําชั่วก็ตามใจนะคุณสมบัติประการที่สามของคนหัวประจบเนี่ยก็คือว่าต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาพวกนี้คบไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะถ้าเป็นคนประเภทนี้นิ้คบไม่ได้<จ>นะไม่ควรจะคบเลยเป็นคนที่จะเป็นเพื่อนชั่วกัเราข้อที่สนีะ่คนประเภทที่สี่ที่จะเป็นเพื่อนชั่วก็คือว่าคนที่ชักชวนในทางชิปหาย ชักชวนในทางดื่มน้ำเมาชักชวนให้เที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนชักชวนให้ดูการะเล่นมหัศรสพชักชวนให้เล่นการพ น, น, บบนันเป็นที่ตั้งของความประมาทพวกนี้เป็นคน <Okay. S 1> ชักชวนในทางชิปหายเป็นเพื่อนชั่วแน่นอนจุ๊บค่ะทีนี้นี่คือลักษณะคนสี่ประเภทที่จะเป็นเพื่อนชั่วนะทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเ ร, เราดูเพื่อนเราก่อนเราดูเพื่อนเราก่อนว่าอมีเพื่อนเราคนไหนไหมที่เป็นคนประเภทนี้ เป็นคนปลอกลอบเป็นคนดีแต่พูดเป็นคนหัวประจบเป็นคนชักชวนในทางชีพหายพวกนี้อย่าเอามาเป็นเพื่อนนะห น, นีให้ไกลเอาออกให้ห่างโทรมาอย่ารับปิดโทรศัพท์ไปเลยนะหรือล บ, อเบเบอร์มันทิ้งหรือว่ า, าอย่าไปคุยกับมันนะพวกนี้แล้วตัวเราเองเราเป็นไหมด้วยเราต้องดูตัวเราไหนะว่าเราเป็นคนประเภทนี้ไหมถ้าเราเป็นคนประเภทนี้นะเราจะเป็นเพื่อนชั่วกับคนคนอื่นนะคุณสมบัติอย่างที่บอกมานี้ต้องรีบกลับตัวเลยนะครัต้องรีบแก้เลยต้องรีบแก้เลยนะพวกนี้เป็นเพื่อนที่ไม่ดีอย่า อยาให้มีเอ่ออยาให้เราเป็นด้วยนะถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้อย่าไปโขกับมันจ้าค่ะต่อไปคือคนที่เป็นคนดีนะคนที่มีอุปการะนะเป็นมิตรที่ดีได้คนที่มีอุปการะเป็นยังไงในะเวลาที่เราประมาทไปเนี่ยก็คอยมารักษาเรานะเช่นเราอาจจะไปหลงผิดนะหลงเชื่ออะไรงมงายถือผีสางเขามาคอยเตือนเราถึงแม้ตอนนั้นเราจะไม่พอใจละ่ะแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าเออคนนี้เขาเป็นเพื่อนดีนะคอยมาเตือนเรา นะคือรักษาเราเวลาที่เราประมาทอยเช่นเราอาจจะหลงอะไรไปสักอย่างในอย่างหนึ่งนะคนเราบางทีมันมีเพื่อนดึงไปในทางไม่ดีมันก็ประมาทไปได้นะคนุณเตจัยเช่นว่าไปเล่นการพา น, านันใะนช่วงบอลยูโรอย่างเงี้ยคนไม่เคยเล่นก็ไปเล่นเนะพราะถ้าเรามีเพื่อนที่มาเตือนเราเอย่างนี้ให้รู้เลยคนนี้เป็นคนที่มีอุปการะกับเราข้อที่สองก็คือว่าลักษณะของคนที่มีอุปการะเนี่ยก็คือรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท แ, แล้วรักษาทรัพย์สมบัติ ออย่างมีคนที่เขาจะมาหลอกเอาเงินนะทีนี้เพื่อนของเราคนเนี้ก็คอยมาเฮ้ยอย่าเอาเงินไปให้เขาเลยเอามาให้ฉันดีกว่าฉันจะเก็บไว้ให้นะหรือว่าเอาเงินมาแบ่งฉันครึ่งหนึ่งฉันจะเก็บไว้ให้อีกครึ่งหนึ่งเธอจะเอาไปก็ได้แล้วก็อย่างน้อยก็ซับว่ายังเหลือครึ่งหนึ่งไม่ถูกโดนหลอกไปได้ออืเจุก่อนะข้อที่สามก็คือว่าเมื่อมีภัยเป็นเป็นที่พึ่งพํานักไดนะ้เป็นที่ไปอาศัยได้มีคนคอยพึ่งได้นี้เป็นคนที่มีอุปการะแล้วข้อที่สี่ก็คือว่าเมื่อมีกิจจําเป็นต้องทํานะ เพิ่มซัพให้สองเท่าคือมีธุระช่วยออกซับให้เกินกว่าที่ออกปากเนี่ยสมมุติว่ามีเเธอถ้าเบิดว่ามีปัญหาอะไรเธอมาอยู่บ้านฉันได้เลยนะแต่พอมาถึงจริงๆปุ๊บเอาทั้งครอบครัวมาเลยเอารับได้อย่างเงี้ยก็ ค, คือเต็มใจเต็มใจเต็มใจช่เหลืออย่างเต็มที่เจ้าค่ะเกินกว่าที่เกินกว่าที่ได้ออกปากเอาไว้ด้วยก็ยินดีช่วยเนี่ยเป็นคนมีอุปการะมาอันนี้เป็นเพื่อนดีให้คบไว้เลยนควรไปมาหาสูบ่อย บุคคลประเภทที่2ที่ว่าเป็นเพื่อนดีได้ก็คือเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะข้อแรกเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้นะคือข้อที่1บอกความลับของตนแก่เพื่อนบอกความลับของตัวเองแก่เรานะข้อที่2ปิดความลับของเพื่อนปิดความลับของตัวเราใหนะ้เราบอกความลับอะไรเข้าไปนะเขาก็เก็บไว้ได้ไม่บอกคนอื่นต่อแล้วข้อที่3ก็คื อ, อไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย ในเวลาในสงครามนี้เราเห็นทหารนี่เขาก็ร่วมทุกขร่วมสุขกันได้ <Okay. S 1> บอกความลับเขาก็ไม่บอกต่อนะปิดความลับของเพื่อนนะไม่ขายเพื่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายแล้วข้อที่สี่ก็คือแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ <Okay. S 1> อเจ้าค่ะอันนี้ต้องหายากจริงๆเลยนะเจ้าค่ะหายากจริงกันเนาะเจ้าค <Okay. Okay. S 1> ่ะเจ้าค่ะคนประเภทที่สามที่เป็นมิตรดีได้นะเป็นคนที่แนะประโยชน์ก็คือห้ามจากความชั่วะข้อที่สองให้ตั้งอยู่ในความดี ข้อที่สามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วข้อที่สี่ก็บอกทางสวรรค์ให้ น, นี้เป็นคนแนะประโยชน์ที่จะคอยแนะให้เราไปทางดีนะครับจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีดีๆนี่บอกชั่วๆนี่บอกว่าอย่าทําบอกให้ห้ามแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอาจจะเป็นธรรมะหรือเป็นอะไรแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้อืมเจ้คาค่ะพวกนี้ก็จัดอยู่ในเป็นพวกกัลยาณมิตรนะเจ้าค่ะชเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนแท้ของเราล่ะใช่ <Okay. S 2> คนประเภทที่4นะี่นั่นคือคนที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันนะก็คือว่า <Okay. S 2> ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนสมมุติเราประสบเหตุอะไรไม่ดีโอ้เขาก็เสียใจด้วยไม่ได้มีความยินดีด้วยนะแล้วข้อที่2ถ้าเราประสบเหตุอะไรดีๆนะเขาก็ยินดีด้วยความเจริญของเรานะแล้วข้อที่3ก็คือห้ามคนที่กล่าวโทษผู้อื่นสมมติมีคนประดาเราอย่างเงี้ยคนนี้ก็คอยห้ามคอยแก้ต่างให้อันนี้คนดีนะ okay. Okay. แล้วข้อที่4ก็คือสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน แวันมีคนมายกย่องเราเราก็สันเสริญยกย่องคนนั้นคนนี้ก็คือแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่มีความรักใคร่สี่ประเภทนี้นะคนที่มีอุปการะคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่นำประโยชน์คนที่มีความรักใคร่เนี่ยสี่ประเภทนี้เป็นมิตรที่ดีได้อืเจ้าค่ะเพราะนี่ก็เป็นมิตรแท้นะเจ้าคะใช่เรารดูเพื่อเรานะสี่สี่ประเภทนี้มีไหมถ้ามีนี่เรารีบครบเลยเรารีบที่จะไปคอยดูแลเขาคอย ค, อยคอบหาสมาคมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแต่เพราะว่าคนแบบนี้หายากมาก แล้วดูตัวเราเองซิว่าเราเป็นยังไงกับคนไหนไหมนะเราเราออกปากพึ่งได้แต่จริงจริงพึ่งไม่ได้หรือเปล่านะออกปากพึ่งได้แล้วให้ได้เพิ่ม2เท่าไหมนะเราเป็นอย่างเป็นคนแบบนี้กับคนอื่นไหมว่างนันเถอนะถ้าเราเป็นแสดงว่าเราก็เป็นมิตรดีกับคนอื่นได้ตรงนี้คือคือนยัยยะของเรื่องของทิศคือเพื่อนที่พระเจ้าแสดงไว้โดยละเอียดนะนนเพื่อนนี้เป็นสิ่งจาเพนนี่ทั้งรหาดทั้งบรรชิตนี่ได้หมดเลยนะได้หมดเลย โด <Okay. S 1> วเฉพาะยิงคารวาสเนี่ยาบางทีเนี่ยเราต้องการจะต้องการเพื่อนมากๆแต่เพื่อนมากๆถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันมันไม่มีทางดีได้เลยยิ่งที่ ม, มีแต่จะดึงไปต่ำเพราะว่าแรงดึงมันมากนะสู้ไม่ต้องมีเพื่อนมากเอาแค่สงคนสองคนแต่ว่าดีๆแล้ยังไปสูงได้ เจ้าค่ะ <No. S 1> มีความสําคัญมากที่จ ะ, ะเป็นส่วนที่จะดึงเราไปในที่สูงนะเจ้าค่ะ<ช>คืไปในทางที่ดีหรือว่าตกต่ําลงมา<ช>อย่างนั้นก็คงจะเหมือนกับที่เขาพูดกันตามภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยการที่เรามีเพื่อนคบกันเยอะๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนแท้นี่ก็ไม่น่าจะมีหรอกน่าจะคบไว้จํานวนน้อยๆแต่ว่าไว้วางใจกันได้แล้วก็เป็นเพื่อนแท้ดีกว่านะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง คุณเดินใจอย่างเงี้ยเรามีศัตรูมากๆดีหรือไม่ดีไม่ดี่ดแน่นอนเจ้าค่ะไม่ดีแน่นอนสู้มีมิตรไม่ต้องมีศัตรูแต่ว่ามีมิตรสักคนสองคนก็พอถูกไหมนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วเจ้าค่ะถ้าเปิดได้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะเช่นเช่นเดียวกันที่เราบอกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ดีเนี่ยเป็นศัตรูนะเป็นศัตรูกับความดีของเราเจ้าเพื่อนไม่ดีเ่เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพื่อนนะจริงๆไม่ควรจะเรียกมันว่าเพื่อนโดยซ้ำควรจะเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นศัตรูออืเจ้าค่ะแล้วคุณคบกับศัตรูไว หุยล้อาตรูมาอยู่ข้างตัวเลยเนี่นะโอ้โ oh, ห oh, อันตรายมากอันตรายมากอืมเจ้านะค่ะอันนี้ก็อาจจะเตือนไปถึงบรรดาน้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพวกเรียนอาชีวะนะเจ้าคะบางทีเนี่ยเข้าไปเป็นเด็กดีๆไปเรียนเนี่ยบางทีก็โดนลูกหลงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางคนก็เป็นเด็กดีแต่ว่าไปโดนเพื่อนชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยเจ้าค่ะก็ไปก่อเรื่องก่อราวอะไรอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอนะเจ้าคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของทิศอันนี้คือที่พุทธเจ้าสารยายออกให้ทราบนะที่พูดมานี้ว่าถ้าถ้าคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะก็มีสิทธิ์ที่เป็นเพื่อนชั่วได้และลักษณะของเพื่อนชั่ว4อย่างเพื่อนดี4อย่างนะที่เราได้พูดไปอันนี้คือคือแยกแยะให้ดูทีนี้ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติโดยรวมนะก็พูดถึงทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอยู่นะทิศเบื้องซ้ายคือมิสหายเนี่ยเราจะปฏิบัติกับเขายัางไงนะ เราควรจะปฏิบัติสมมติเราเจอเพื่อนค น, นนี้ดีแล้วมากล่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความรักใคร่แล้วก็เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีคุณสมบัติของคนที่เป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุขมีคุณสมบัติของคนที่เป็นคนมีความรักใคร่เราควรจะปฏิบัติต่อเขาด้วยการให้ปันด้วยการให้ปั น, ปนเช่นให้ของซื้อของมาฝากอย่างนี้ควรทํามาก <มา S 1> <daddy S 2> ๆเลยแล้วก็นอกจากนี้เราควรจะปฏิบัติต่อเขาด้วยการพูดจาไพเราะพูดดีๆกันโทรไปคุยปราัยพูดดีๆนะ อข้อทีอ่สามถ้าเราเจอคนที่เป็นลักษณะว่าเป็นคนดีเนี่ยนะอเป็นคนที่มีอุปการะบ้างเป็นคนที่แนะประโยชน์บ้างเนี่ยเราควรจะประพฤติต่อเขาด้วยการประพฤติประโยชน์ประพฤติประโยชน์เนี่ยก็หมือความว่าช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่กันและกันนะคุณ เ, เขาต้องการถุงทรายเราก็ไปจัดหาถุงทรายให้ช่วยกันอย่างนี้ฉันไปซื้อถุงทรายมาฉันเอามาแบ่งเธอครึ่งหนึ่งนะอย่างนี้อืเจ้าค่ะ แล้วก็เรียกว่ามีน้ำใจกับเราวอะนะในทุกๆเรื่องเจ้าค่ะอย่างในสมัยเดี๋ยรปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในบ้านหนองเต่าตอนไหนโศกเนี่ยเขาก็ไปช่วยกันไปเกี่ยวข้าวนะบ้านนี้ไปช่วยบ้านโน้นเกี่ยวข้าวก็ประพฤติประโยชน์ร่วมกันก็เรียกว่าแบบลงแขกกันนะเจ้าค่ะใช่ใเป็นลงแขกก็คือมาช่วยกันทำทำนานู่นนานี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้ก็ประหยัดด้วยแล้วก็เร็วด้วย อ๋อยังมีอยู่นะเจ้าค่ะที่ดองหายโศกเรามีว่างมีอยู่บ้างนาชิ่นชมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่าข้อถัดมาด้วยการที่วางตนเสมอกันแนววางตนเสมอกันนี่คือเสมอในฐานะหน้าที่ของเพื่อนนั่นคือหมายความว่าคําว่าวางตนเสมอกันเนี่ยบางคนจะไปเข้าใจว่าสมุดลูกน้องวางตนเสมอเจ้านายโดยการที่เอางั้นก็วางตนเสมอเจ้านายเลยไม่ใช่อย่างนั้นเป้นตัวตีตัวตีตนเสมอนะคะอันนั้นไม่ใช่จึ่งไม่ถูกนะเจ้าค่ะไม่ถูกไม่ถูกที่ถูกก็คือว่าวางตนเสมอในฐานะของเรา เราอยู่ในฐานะเพื่อนเราก็ปฏิบัติตัวเป็นเพื่อนเราอยู่ในฐานะที่จะเป็นลูกน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างดีอย่างเงี้ยเในเรื่องของการบางตนเสมอกันนั่นะก็คือว่าปฏิบัติตัวให้เสมอกันในเรื่องของความเป็นเพื่อนนั่นเองนะอข้อที่5ก็คือว่าด้วยการไม่กล่าวคำมันเป็นเครื่องให้แตกกันนะอะไรที่มันพูดแล้วมันจะแตกกันเนี่ยอย่าไปพูดให้เก็บเอาไว้เรื่องไม่ดนะีของคนอื่นอย่าพูดเลย ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเราก็ไม่ต้องพูดเพราะว่ามันจะแตกกันถ้าเราเจอคนที่มีอุปการะมีคนเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขมีคนที่แนะประโยชน์ให้เราเนี่ยเราควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้นอกจากนี้คุณต้นใจเวลาที่เขาปฏิบัติเราปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนอย่างนี้ถ้าเรามีเพื่อนอย่างนี้ที่ปฏิบัติต่อเราใน5ลักษณะนี้เนี่ยนะ เราควรจะตอบแทนเขาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้อีก5อย่างนั่นก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนประมาทเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาเขาคอยตักเตือนว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะเธอไปถือผีถืออะไรมันทําให้ถูกเป็นเครื่องรางของ ข, องของังอย่าไปนงคอยเตือนคอยรักษาเวลาที่จะประมาทข้อที่2ก็คือรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนั่นคือเวลาประมาทแล้วเนี่ยมันจะเสียทรัพย์ด้วยนนคนประมาทเนี่ยนะทั้งเล่นการพ น, นันทั้งดื่มสุราทั้งไปคดเพื่อนชั่วเนี่ยจะมีแต่เป็นเหตุให้เสียสทรัพย์ทั้สิน เราก็ต้องคอยรักษาทรัพย์ของเขาตรงนี้ข้อที่สองข้อที่3มก็คือเป็นที่พึ่งแกมิดเมื่อมีภัยเวลามีภัยอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องรีบที่จะให้พึ่งได้นะอันนี้ที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือว่าถ้ามีใครมาปฏิบัติต่อเราโดยลักลาลักษณะอย่างแรกนะเราควรจะตอบแทนเขาอย่างนี้ นะแล้วแล้วตัวเราเองนะถ้าเราไปเจอเพื่อนที่เป็นคนดีดเนี่ยเป็นคนที่มีอุปการะเป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยเราควรจะปฏิบัติ5อย่างแรกนั้นที่เรา้พูดมากับเขาอะนะเดี๋ยวจะซ้ําอีกครั้งหนึ่งเดีขอพูดตรงนี้ให้จบก่อนนะหมดเลยเจ้าค่ะค่ะอ่าข้อข้อถัดมานะเราควรจะตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติกับเราอย่างนี้เนี่ยด้วยการรักษาทรัพย์ของผูดที่ประมาทแล้วนะข้อถัดมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งแกมิดเมื่อมีภยัยแล้วก็ไม่ทอดทิ้งในายามมีอันตรายนะเรื่องนี้สาคัญเวลามีอันตรายไม่ททอดิ้งกัน แล้ว ข, ข้อสุดท้ายก็คือนับถือสมาชิกในวงของมิตรห้าข้อนี้าข้อที่พูดถึงเพิ่งเสร็จไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะตอบแทนกับบุคคลที่พูดจาดีๆกับเราประพฤติประโยชน์กับเราวางตนเสมอกันกับเราไม่กล่าวคำเป็นเครื่องให้แตกกันกับเรามีอะไรก็แบง่บงแบ่งปันเรานะคนที่ปฏิบัติต่อเราอย่างนี้เราควรจะตอบสนองเขาด้วยการที่ไม่ ร, รักษาทรัพย์ของเขาที่เวลาเขาประมาท นะรักษาเวลาที่เขาประมาทเป็นที่พึ่งกับเขามีเวลามีภัยไม่ทอดที้นียามีอันตรายแล้วก็นับถือสมาชิกในวงญาติของเขาแล้วตัวเราเองนะถ้าเราไปเจอคนที่มีคุณสมบัติความรักใคร่มีเป็นคนแนนประโยชน์เป็นคนมีอุปการะเนี่ยเราควรจะปฏิบัติ5้าอย่างนี้กับเขาด้วยการให้ปันด้วยการพูดจาไพเราะด้วยการประพฤติประโยชน์ด้ยการวางตนเสมอกันด้วยการไม่กล่าวคําเป็นเครื่องให้แตกกันนั่นะคือสรุปอะ่ะ ง, ง่ายๆดีกว่านะ ว่า<ช>ถ้าถ้าเราเป็นคารวาเราเจอเพื่อนดีๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะ่ะทั้งเขาทําดีกับเราหรือว่าเขายังไม่ได้ทำดีกับเราแต่เราอยากจะคบคนนี้เป็นเพื่อนเพราะว่าเขามีคุณสมบัติของความเป็นคนดีอย่างเงี้ยเราควรจะปฏิบัติสิบอย่างนี้ต่อเขาเลย<ม>ก็คื อ, คอพูดจาดีๆกันให้อาภายัยให้ของวันให้ปันกันให้ทานกันอย่างเงี้ยคแล้วก็พูดที่วาจาไม่เป็นเครื่องให้แตกกันกค่ะ เรื่องเพื่อนเนี้ยนะนอกจากเวลาเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยผู้ผู้ชยังเคยพูดถึงเรื่องของศีแลแต่ถ้าคนที่มีศีลมีจาคะมีศรัทธามีปัญญาถ้ามีคุณสมบัติสีอย่างนี้ก็เป็นอีกนยัยยะหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีได้ เจ้าค่ะก็เลยก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นกาลยาณมิตรของเราได้นะเจ้าค่ะถ้าเผื่อว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมมีมีความศรัทธา ม, มีจารคือมีการบริจาคมีอะไรแล้วก็มีปัญญาด้วยนะเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะนะตอนนี้เวลาในรายการมันเหลือประมาณสักสองนาทีกว่าๆนะเจ้าคะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ปัยบุญอภิปุโนได้กรุณาสรุปอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเนี่ยเจ้าค่ะอาจจะท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะรับฟังไม่ทัน เมตาสรุปนิดนึงเจ้าค่ะสุดท้ายรายการเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะในทางปฏิบัติเลยนะในวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราได้ดูแล้วว่าคุณสมบัติของคนเนี่ยมีอยู่4อย่างที่ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็สี่อย่างที่เป็นคนดีเราดูดูแล้วว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นคนปอกรอบเป็นคนดินแต่พูดเป็นคนหัวประจบเป็นคนชักชวนในทางชิบหายเนี่ยเราอย่าไปโคกมันให้หนีนะถ้าดูดูแล้วคนนี้จะเป็นคนที่มีอุปการะได้เป็นคนที่ร่วมทุกข์รวมสุขเป็นคนแหนประโยชน์เป็นคนมีความรักใคร่พวกเนี้ยให้ครบเอาไว้ วิธีปฏิบัติในการที่จะคบกับเขาจะมีอยู่10ข้อนัก็คือด้วยการให้ปันด้วยการพูดจาไพเราะด้วยการประพฤติประโยชน์ด้วยการวางตนเสมอกันด้วยการไม่กล่าวคํามันเป็นเครื่องให้แตกกนนันนอกจากนี้ข้อที่5ข้อที่6ก็คือว่ารักษาเราวเวลาที่เขาประมาท ร, รักษาทรัพย์ในเวลาที่เขาประมาทดเป็นที่พึ่งแก่เขาเมื่อมีภยัยไม่ทอดทิ้งในายามมีอันตรายแล้วก็นับถือสมาชิกในวงของเขาก็จะเป็นนั้นว่าเราปฏิบัติตาม10ข้อนี้เรามีเพื่อนดีแน่นอน เจ้าค่ะก็ฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาน้องๆเยาวชนทั้งหลายนะค ะ, ะเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าท่านจะตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานไปนานแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่ 2,600 ปีแล้วปีละ แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้นั้นเนี่ยหรือชีช้แนะไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเป็นความจริงตลอดเลยดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างยิ่งนะคะ อาจารย์เจ้าขาเราได้พูดจบไปอีกทิศหนึ่งแล้วนะเจ้าคะคือทิศเบื้องซ้ายดังนั้นพรุ่งนี้เช้าที่เราจะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมเป็นอาทิตย์สุดท้ายนี้่อาจารย์จะเมตตาพูดคุยอีกทิศหนึ่งถูกไหมเจ้าคะทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเลยไปพร้อมๆกันในวันอาทิตย์ได้เจ้าขะในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังกันต่อไปพรุ่งนี้ ตอนเปิดสถานีของสถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยตีหเหมือนเคยค่ะพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะค่ะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบอขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภาโซท่านเจ้าอาวาสวาดัวดป่าดอนไหศกตมบุรดอนไหศกออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบน้มัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่า ข, าขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ